ฟังจำเป็นแรกหน่อยเนาะอยากออกจากสอนจยากมีส่วนร่วมอยากะรับผิดชอบชีวิตของเรามันมีสูตรที่ถูกที่ผิด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 ตอนที่จะเกิดปัญหาต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันต้องเกิดที่ขนก่อนคนเหล่าคนแค่ไขก้าไปถึงส <c oughs> ่วนรวม<น>ถึงรัฐธรรมนูญแล้วมันมันก็ไม่ใช่ที่เป็นสันจธรรมเป็นสมมุติเหมือนหยัด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 แต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นใหญ่อยู่กันไปะะนระหวางกายระหว่างใจเดี๋ยวนี้ระหว่างกายระหวางใจเรามันก็มีปัญหาไม่วัตถุมีอาการที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนีกยก็มี เวามไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนนีใจก็มีความโกรธความโลภความหลงมิเลีแต่นานละคะจะให้เกิดชีวช่นั่นหรือไม่แ้ไสไม่มีอะไรเป็นใหญ่ไปขี้ขาดเั้งนี้นั้นก็ไม่มีค่าสาหรับชีวิตเรา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 แล้วก็มีส่วนประกอบกันถ้าไฟมันไหม้ก็ต้องมีน้าดับอะไรที่มันเป็นศัตรูมีเครื่องปรับทั้งนั้นแม่โรคไฟไข้เจ็บมันเกิดขึ้นต้องมีวัคซีนผู้ที่ค้ น, ดดคนหาวัคซินก็ไม่ยอมจนการแพทย์ชาตร์ค้นอยู่ตลอดเวลา ศึกสาตลอดเวลาโลกขณดไหนก็จะพยายามรักษามีวัคซีนหามาให้ได้แก้ใเห็นได้เนื้อเราก็อยู่ได้รอดมาได้วิธีเกิดวิธีเก็บพิธีตายก็ต้องมีจนถึงที่สุดอันนั้นไม่เป็นจิงยอมรับไม่ควรที่ไปยอมรับขนาะนั้นก็ได้เราต้องหัด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 อะไรมันยาวอะไรมันสั้นถ้ารู้ความหลงก็สั้นลงถ้าหลงถ้าไม่รู้ความหลงก็ยาออกไปมันมีอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง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 ติดทุกข์ก็มีติดโกรธก็มีติดหลงก็มีติดรักก็มีติดอร่อยสารพัดอย่างมันติดป่ะหรือว่าวิญญาณอร่อยวินดินพวกขางหมูท้องชาติหนักอึ้งไปเลยไม่เหม่มมมห่่นะ่่ดดนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่น่่่ท่่่่่่่่่่่่่่่ะ่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เป็นทุกข์สมุทยนะเป็นทุกข์ในเลือดัตถีนะกันคิดที่ไม่ตั้งใจนะมันเกิดจากตัวนี้ก่อนไม่มีจึงใดที่เป็นความคิดแบบนี้ด้วยเ ท, เท่ากับสติถ้ามีไม่มีสติเป็นหลักเป็นมระธานแล้วจะไม่เจอความคิดแบบนี้ถ่าไปกับความคิดไปเลย เพราะว่ามีสติเป็นประธานเป็นที่ตั้งเหมือนะนเรามีตาลื้นไว้อะไรผ่านมาก็ต้องเห็นถ้า <c oughs> เห็ น, หนแล้วก็ปลอดภยัยสติเมื่อเราไมเ <c oughs> มื่อมาเราเ <c oughs> มือเม่อเรามีแล้ว <c oughs> มันก็ต้องเห็นเห็น <c oughs> <c oughs> อะไรที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ยาบป่างละเอียดขนาดได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 อยู่ในความคิดนานเท่าไหรเท่าไรบาทีคิดขึ้มานอนไม่หลับคิดขึ้มากินข้าวไม่ลงคิดขึ้มาร้อน้ำตาไหลคีดขึ้นเราก็ลคิดขั้นเราก็เกียดชังหมดพลังงานกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนรวมของเราทั้งหมดเลย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 อะไรต่างๆ <S <S อ น, นั้นเหมันผิวเผินมันไม่กบเกินอันของสมบัติที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกถ้าเรามาดูแล้วคิดหลาบด้วยอันที่ไม่ตั้งใจนะแต่บางคนก็ด้านไปเลยไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้เรียกว่าผู้ไม่มีสติปุถุ ด้านในความคิดที่ไม่ตั้งใจนะปุถุชนหรือเนยเยาะปะทะปรามบัวใจน้ำบัวใจดินเท่าไหร่เจ้งจะรู้ว่าไม่ชอบต้องให้ขนขวา ย, ย <c oughs> อันหลงในเรื่องอื่นก็พอไหวอันหลงในความคิดเนี่ย ไม่ค่อยจะใส่ใจเพาะันหลงในความยึกเขาไปกันใหญ่ไปกันได้หรอไอ้คิดหลายทางเป็นเปรตก็มีเป็จัตุรลกายก็มีเป็นจตนาโลกก็มีเป็นเดรัจฉานก็มีเรื่องที่เล่าไปเล่วก็ยังเอามาคิดคิดในเรื่องเจ็บปวดคิดในเรื่องที่ผิดผิดเอามาคิดทีไร ก, ก็ทุกทุกตือนเอีย ง, งเอามาคิดอยู่ไม่เ็ดหลั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 จิตอย่งานยงนั้นจิตอย่างนี้จิตขาพะวงจิตเป็นอะไรต่างๆเห็นนอนเห็นนี่ลึกชาดบุพเพนิวาสารทุจ ล, ลึกชาติชาติไหไที่เราชาดหน่อเราแก้ได้เท่ากับเดี๋ยวนี้วันนี้นั้นหลงเมื่อวันนี้ทุกวันนี้มันไม่เหมือนมเมื่อวันนี้ มันต่างกัาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าวิปันญาภูเพนิวะสารสิทีอันละลึกชาติแบบนั้นแล้วก็เอได้ได้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสงบที่เหล็มันก็ต่างกันแล้วเนี่ยจะให้หลงเหมือนเมื่อก่อนมันหลงไม่ได้เวลาได้ความหลงเกิดขึ้นอุ้ยเหมือน มันเปื่เพื่อนชาติแต่ก่อนมันไม่รู้จักความเปื้อเพื่อนเดี๋ยวนี้มันชาติเดี๋ยวนี้มันชาติสะอาดมันไม่เอาปัดทิ้งไปสัก อ, อกไม่สติน้ำทำมงคุดทำสักอสอดซอมขึ้นมางามกว่าก่อนโมลิสุดตรงที่บันสะอาดตรงไหนโถ ป, ปกตรงตรงั้นสาด ชีวิตอย่างนี้นั้นไม่ใช่เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องผมมัดจัน์คือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมีสติไม่เปอย่ยนแน่เราจะไปหาที่ไหนมันพร้อมแล้วชีวิตเราแล้วมีทุนอยู่แล้วร0อยเรเ็นตศรัทธาก็มีแล้วยอมเพียนก็มีอ๋อ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 เป็นทางเป็นขีดเช็นทางไว้เคยทําอย่างนี้เวลาหลงมันลู่เคยมาแล้วหลายครั้งแล้วร้อยโลบพันโอบหลงที่ใดลู่ที่ น, นั้นเคยใช้ชีวิตแบบนี้มันทุกที่ใดลู่ที่ น, นั้นมันโกดที่ใดลู่ที่ น, นั้นมันต้องมีแน่นอนงานการงานไม่มีแน่นอนไม่ว่างการฝึกกรรมาฐานมันเป็นการทํางาน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 แต่ก่อนสี่ห้าปีก่อนเวลาฝนตกเราก็ใช้น้ำคุนๆุสูกน้ำคุนมาใช้อพี่ไรขี้หัวเต็มไปหมดเลยนี่คิดเดี <laughs> ย๋ยวนี้ก็ไม่ใช้น้ำคุนเท่าไหร่แล้วเพราะอะไรเพราะเราทำมนบรรทุเราทำได้พัฒนาได้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 สองห้องทั้งเที่ยวนอกทิ้งห้อกไปอีกห้องหนึ่งทิ้งต้นตุกิห้องหนึ่งคงพอใชนะ้สองเพื่อเป็นคนปลูกมาดูรถแม็คโคขขุดต้นไม้หล่พอพ่อคนอื่นจะไม่เฉียดดอยนะ <c ười> คนที่ปลูกเฉียดไดนะก็ <c ười> มาดูชี้บ่าันเป็นยังไง ต้นโยมหอมคิดว่าใจอวดคนอลังกามนับมา่อโคตรออกก็ต้องทัใจ่าพระตัดดังอันเป็นอย่างนี้อันนังกิบมาไหลอันนังเกิขึ้นเทนนี่ก็เป็นอย่างนี้มันก็ดีเอาเราเาทำให้มันดีให้มันใช้ได้นะ ก็่ม้ต้นใดที่คุดออกอนตาเอาไปผูกไว้ต้นแดงว่างไปผูกไว้อืผูกมาได้ตั้งแต่ยอมหอมันต้นใหญ่ตัดเอาไปใช้ได้ประโยชน์เหมือนกันก็ใครจะนั่งเฉนไว้ลูกไวต้ตรงนั้นพอดีพอดีให้น้ําไหลลงตรง น, นั้น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 มีความรู้รองนะแต่ดูแลเรื่องชีวิตจริงๆมันดูแลไม่ได้ต้องทำเอาเป็นกรรมของใครของมันนะ่ยช่วยไม่ได้จริงๆจึ ง, จงมีวิชากรรมฐานมาอยู่กันอย่างนี้ตอ น, ตอนเช้าตอนเย็นก็แสดงธรรมอาจารย์ไปสานเปประหานที่นี่หลงตาก็เป็นเสริมนิดหน่อย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 เกิดในความโกรกีขครั้งเกิดในความรักความเกลียดครั้งกี่ครัง้งกี่ภพกี่ชาติเป็นวัฏฏะชงสารว่องใหญ่ไพศาล้าจะเปรียบเหมือนน้าก็พุดแล้วโผล่ขึ้นมามุดลงไปโผล่ขึ้นมามุดลงไปโผล่ขึ้นมาขึ้นฝั่งจะมนกันแล้วกันเท่านั้นเอการขึ้นฝั่งก็หัดแบกขาดว้อย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 เป็นข้อมูลเป็นชนประกอบแต่การกระทําของเรานะงานที่ของเราไปทําเอาความหลงไปยังไงความความรู้จึกตัวไปยังไงสามถาดูจึงไม่วิชาวนะิกมือขึ้นรู้จึกไหม ลุกมาขึ้นรู้จักหมายอะรก็รู้กันทุกคนไม่มีความรู้อยู่นี้อย่าไปเชื่อไปเห็นรู้เบาเบารู้ซื่อซื่อความรู้มันซื่อซื่อไม่มีรถไม่ชาติมันจืดจืดอาหารจืดอาจจะดีกว่าอาหารที่เป็นรสจัดนะความรู้ซื่อเ่ย เหมือนอยารักษาโกคมะเร็งอวานันวะกนักจือที่สุดเลยแต่มันรักษาโรกมะเร็งได้เครื่องรู้ชื่อๆเนี่ยมันรักษาโรคเกิดแก่เจ็บตายได้ทั้งหมดกิเลสปัญหาตน่ายร้อเกิดรักษาได้มันรู้ชื่อๆเห็นไม่เป็นเนี่ยมันชื่อที่สุดเลยมันทุกข์เห็นมันทุกข์